ไม่ติดในรูปที่ได้เห็นไม่ติดในเสียงที่ได้ยินไม่ติดในกลิ่นรถโพธาะที่ทราบไม่ติดในธรรมรมที่รู้แจ้งเนะไม่มีตันหาอันตันหาและทิฏฐิไม่อาศัยไม่พัวพันพ้นขาดไม่เกี่ยวข้องในรูปที่เห็นย่อมมีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู่ ไม่มีตันหาอันตันหาทิฐิไม่อาศัยไม่พัวพันพ้นขาดไม่เกี่ยวข้องในเสียงที่ได้ยินในกลิ่นในรสในโพธภาพที่ทราบในธรรมรมที่รู้แจ้งย่อมมีจิตปราศจากเดนกิเลสอยู่พระอรหันต์มีจักษุ ป, ปรากฏย่อมเห็นรูปด้วยจักษุแต่ไม่ได้ฉันมีฉันธราคะเห็นแต่ไม่มีตันหามีจิตพ้นวิเศษดีแล้วปรากฏหูปรากฏคือหูเนี่ยมี ย่อมได้ยินเสียงด้วยหูแต่ไม่ได้มีฉันทราคะมีจิตพ้นวิเศษดีแล้วอะท่านมีจมูกปรากฏอ่ะสูดดมกลิ่นด้วยจมูกแต่ไม่ได้มีฉันทราคะมีจิตพ้นวิเศษดีแล้วมีลิ้นปรากฏคือยังมีลิ้นอ่นะย่อมลิ้มรสด้วยลิ้นแต่ไม่มีฉันทราคะมีจิตพ้นวิเศษดีแล้วมีกายปรากฏย่อมถูกต้องโพธิภาพด้วยกายแต่ไม่ได้มีฉันทราคะ มีจิตพ้นวิเศษดีแล้วมีใจปรากฏรู้แจ้งธรรมรมด้วยใจแต่ไม่ได้มีฉันทราคะมีจิตพ้นวิเศษดีแล้วจักสุเป็นธรรมชาติชอบรูปยินดีในรูปชื่นชมในรูปผ้าอาหารเนี่ยคุ้มครองรักษาสํารวมจักสุและย่อมแสดงธรรมเพื่อความสํารวมจักสุนั้นหูเนี่ยเป็นธรรมชาติชอบเสียงจมูกเป็นธรรมชาติชอบกลิ่นลิ้นเป็นธรรมชาติชอบรสกายเป็นธรรมชาติชอบโพธะ อันนั้นมีหูถ้าไม่ได้ยินเสียง่ะเดือดร้อนไหมปกตินะก็ <3. S 1> เดือดร้อนอีกมีจมูกแต่ไม่รู้กลิ่นก็เดือดร้อนลองข้ า, าวเช้าเนี่ยนะลองเอาฟอยล์หรือเอาโฟอมอะไรมาแปะลิ้นไว้หน่อยไม่ให้รู้รสแล้วก็กินข้าวเนี่ยนะกไม่ชอบอีกในชะ่ไหมมีกายอ่ะแต่ไม่รู้เย็นร้อนอ่อนแข็งตึงเลยสักอย่างเดียวนะเป็นเหมือนเอามาพลึกเอามาพาดเนี่ยชอบไหมไม่ชอบมีใจแต่ว่าหลับอยู่ตลอดเนี่ยนะก็ไม่น่าไม่ชอบใช่ไหมเพราะฉะนั้น ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโภธภัพเนี่ยเป็นที่มายินดีแต่ว่าพระอรหันเนี่ยท่านสํารวมเนี่ยนะท่านฝึกคุ้มครองรักษาสํารวมจักสุขแล้วก็แสดงธรรมเพื่อสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าชนทั้งหลายย่อมนำพานะที่เขาฝึกแล้วไปสู่ที่ประชุม พระราชาทรงขึ้นภาหนะที่เขาฝึกแล้วบุคคลผู้ฝึกแล้วอดกลั้นถ้อยคำที่ล่วงเกินได้เป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์ม้า อ, สอัสดรม้าสินทบม้าอาชาในช่างกุญชรที่เขาฝึกแล้วเป็นสัตว์ประเสริฐก็ทุกอย่างนะสัตว์เดรัจฉานสัตว์ที่ได้รับการฝึกแล้วเป็นสัตว์ที่ประเสริฐสุดนะน่ะ บุคคลผู้ฝึกตนแล้วประเสริฐกว่าสัตว์เหล่านั้นถ้าพูดถึงสัตว์ที่ฝึกเรียบร้อยเนี่ยมนุษย์ที่ฝึกแล้วเนี่ยประเสริฐสูงสุดใครๆไม่พึงถึงนิพานด้วยอันเป็นทิศที่ไม่เคยไปนิพานเนี่ยเป็นทิศที่ไม่เคยไปเนี่ยนะด้วยยานเหล่านั้นนะคือขี่ช้างขีม่ม้าขี่รถเป็นต้นอะ่ะบรรลุนิพานไม่ได้หรอกเพราะยานเหล่านั้นบรรลุนิพานไม่ได้สําหรับบุคคลที่ฝึกแล้วมีตนอันฝึกแล้วฝึกแล้วย่อมไปถึงได้คือถึงนิพานที่ที่ไม่เคยไปนะ คำว่าฝึกในทีนี้ก็คือฝึกด้วยอธิศีน์อธิจิตและอธิปัญญานะพระอรหันเนี่ยไม่หวันไวในมานะทั้งหลายเป็นผู้พ้นขาดแล้วจากพบใหม่เป็นผู้บรรลุแล้วถึงภูมิที่ฝึกแล้วผ้าอรหันเหล่านั้นเป็นผู้ชนะแล้วในโลกผู้ใดอบรมอินทรีย์ทั้งหลายคือศรัทธาเป็นต้นในโลกทั้งปวงทั้งภายในทั้งภายนอกผู้นั้นฝึกแล้วทราบโลกนี้และปารโลกรอคอย ซึ่งการมรณะเนี่ยนะเรียกว่าทำงานเสร็จรอรับค่าจ้างอย่างเดียวนะก็ถือว่าเสร็จกิจเหมือนกันเะของเราเนี่ยรอรอตายด้วยแล้วรอเกิดด้วยใช่ไหมของท่านรอตายอย่างเดียวยนีน่เพราะฉะนั้นนี่แหละเรียกว่าผู้มีอุเบกขาโอ้อุเบกขาเนี่ยอธิบายเป็นสามหน้ า, านะนะอุเบกขาใช่เฉยเนี่ยนะอุเบกขาของเรานั่งซึมอย่างเดียวไนงะนั่ง นั่งไม่ฉลาดอะไรนะของมาเนี่ยเจริญอุเบกขามาตลอดนะอยู่ท้องไร่ท้องนา น, นึ่เฉย น, นะเฉยไปเฉยมาชักไม่เคยสนุกเลยนะเฉยอย่างนั้นก็ไม่ฉลาดอะไรแต่เฉยแบบผ้ารหารเนี่ยเฉยชนิดที่ว่าอารมณ์หกทุกอารมณ์เนี่ยวิจัยทําปริญญาเรียบร้อยบริบูรณ์หมดไม่มีฉันทราคาไม่มีความกําหนัดความขัดเคืองความลุ่มหลงเล ย, ยนะแล้วก็ฝึกตาหูจมูกลิ้นกายใจได้อย่างบริบูรณ์ เพราะฉะนั้นเมื่อท่านฝึกตาหูจมูกลิ้นกายใจอ่ะท่านึงจึงไปสู่ทิศที่ผู้อื่นไม่เคยไปคือพระนิพานเนี่ยนะคำว่าทุกเมื่อทุกเมื่อก็คือตลอดการทุกเมื่อตลอดการทั้งปวงตลอดการเป็นนิตลอดการยั่งยืนเนี่ยนะตลอดก่อนอาหารหลังอาหารเนี่ยนะตลอดปฐมยามมชิมยามปชิมยามตลอดกลางวันตลอดกลางคืนตลอดข้างขึ้นตลอดข้างแรม นะตลอดเดือนตลอดปีนะแล้วก็ตลอดวัยต้นตลอดวัยหลังกลางคนตลอดวัยหลังเนี่ยเรียกว่าทุกเมื่อคําว่าเป็นผู้มีสติก็คือมีสติด้วยเหตุ4ประการก็คือมีสติเพราะเจริญสติปฐาน4ี่นั่นเองมีสติเพราะเจริญกายานุปัสนาสติปฐานในกายชื่อว่ามีสติเนี่ยนะเจริญเวทนานุปัสนาสติปฐานในเวทนาก็ชื่อว่ามีสติเจริญจิตตานุปัสนาสติปฐานในจิตก็ชื่อว่า มีสติจเจริญธรร ม, มานุปัสสนาสติประทานในธรรมทั้งหลายก็ชื่อว่ามีสติเนี่ยนะเป็นต้นน่นะหรือมีสติเพรา ะ, จะเจริญส ม, มถวิปัสสนานั่นเองค น, นบุคคล น, นั้นเรียกว่ามีสติเพราะฉะนั้นว่ามีอุเบกขาและก็มีสติทุกเมื่อมีสติตลอดเวลาเนี่ยนะคาว่าไม่สาคัญว่าเสมอเขา นะก็คือไม่มีมา n a นะนะไม่มีมานะโดยชาติโดยโคตโดยตระกูลโดยรูปร่างผิวพรรณโดยทรัพย์สินเป็นต้นเนี่ยไม่อาศัยวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งว่าเราเนี่ยเสมอเขาเพราะฉะนั้นจึงๆแล้วไม่สําคัญว่าเสมอเขาไม่ได้เอาปีรูปสารูปเอาสิ่งดีๆเนี่ยมาเป็นที่ตั้งแห่งมานะเลยไม่สําคัญว่าดีกว่าเขาไม่สําคัญว่าเลวกว่าเขาคือ ถ้าสำคัญว่าดีกว่าเขาก็คือไม่ยังความดูหมิ่นให้เกิดขึ้นถ้าเราสำคัญว่าตัวเองสูงกว่าก็ต้องหมิ่นคนที่ต่ำกว่าถ้าสำคัญว่าต่ำกว่าเราก็ยกคนอื่นว่าสูงกว่าใช่ไหแต่ก็ทั้งหมดนั้นก็ด้วยมาณเนี่ยนะมันจะไม่สำคัญว่าดีกว่าหรือต่ำกว่าก็นีคุณธรรมที่กล่าวไปเนี่ยนะเป็นคุณธรรมของพระอรหันตะคีณาศพเชื่อว่ากิเลสอันหนาทั้งหลายเนี่ยนะ ไม่มีแก่ผ้าหันนั้นนะนะกิเลสหนาก็คือราคะโทสะโมหะมานะทิฐิกิเลสกรรมกิเลสหนาเหล่านั้นไม่ได้มีคือย่อมไม่มีไม่ปรากฏไม่เข้าไปได้ในบุคคล น, นั้นเป็นบาปประทำรรอันบุคคล น, นั้นนะ่ะละตัดขาดสงบประงับแล้วทําให้ไม่ควรเกิดขึ้นเผาเสียแล้วด้วยไฟคือยานเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ากิเลสหนาทั้งหลายย่อมไม่มีแก่บุคคล น, นั้นเพราะเหตุนั้นสรุปคาถ า, า, าที่กล่าวว่าบุคคล น, นั้นเป็นผู้มีอุเบกขา เนี่ยนะฉลังคู่เปรคขาในอารมณ์ทวารหเนี่ยนะคือเป็นมหากิริยารับอารมณ์ทั้ง6ก่นนะมีสตทิทุกเมื่อไม่มีมา n a ว่าดีกว่าเขาเสมอเขาเลวกว่าเขาและกิเลสหนามีราคะเป็นต้นย่อมไม่มีแก่บุคคล น, นั้นคือพระอรหันต์นั้นผู้ใดไม่มีความอาศัยรู้ธรรมะแล้วไม่อาศัยไม่มีตัณหาในภพหรือความปราศจากภพเนี่ยนะก็คื อ, คอพระอรหันตะคีนาศเนี่ยนะ ไม่มีความอาศัยไม่อาศัยด้วยตัณหาและทิฏฐิท่านรู้อารมณ์ทุกอารมณ์แล้วไม่อาศัยตัณหาและทิฏฐิไม่มีตัณหาในปรารถนาพบเนี่ยนะคือไม่ได้อุเฉท ท, ทิฏฐิแล้วก็ไม่เป็นสัสตตทิฏฐิแต่รู้เห็นตามเป็นจริงวันนี้ทุกขนี้เหตุแห่งทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่มีตัณหาในพบหรือวิพบคืออุเฉท ท, ทิฏฐิ คำว่ารู้แล้วเนี่ยนะเน้นที่ว่าท่านไม่เอ่อทวนอีกนิดหนึ่งผู้ใดไม่อาศัยเนี่ยนะคือพระอรหันต์เนี่ยท่านไม่อาศัยตัณห า, าตัณหานิสัยหรือทิฏฐินิสัยเนี่ยเขาบอกว่าพระอรหันต์นั้นท่านละตัณหานิสัยสละคืนทิฏฐินิสัยเพราะละตัณหานิสัยสละคืนทิฏฐินิสัย ความมิความอาศัยไม่ได้มีคือตันหาทิฏฐิไม่ได้มีไม่ปรากฏไม่เข้าไปได้แก่ผู้ใดคือค ว, ความอาศัยนั้นอันบุคคลใดละตัดขาดสงบประงับทำให้ไม่ควรเกิดขึ้นเผาเสร็จแล้วด้วยไฟคือยานท่านจึงเรียกว่าผู้ใดคือผ้าหันเนี่ยไม่อาศัยตันหาเละทิฏฐิไม่มีตันหานิสยัยทิฏฐินิสยัย คำว่ารู้แล้วอ่ะนะรู้แล้วก็คือรู้ทราบ พ, พิจรารณาเทียบเคียงทําให้แจ้งทําให้แจ่มแจ้งว่าสเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์รมทั้งปวงเป็นอนัตตาเนี่ยนะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเป็นต้นนั่นเองจนถึงชาติเป็นปัจจัยจึงมีชารา ม, มรณะเนี่ยนะถ้าอาวิชชาสํารอกโดยไม่มีส่วนเหลือสังขารก็ดับถ้าสังขารดับ อุปาทานก็ดับถ้าอุปาทานดับพบก็ดับถ้าพบดับชาติก็ดับเป็นต้นเนี่ยนะ น, นะหรือเรียกว่ารู้เหตุเกิดความดับอาสาท า, าอาทีนะวานิสรณะของขันห้าภาษายตนาหมหาภูตรูป4ี่รู้ว่านี้ทุกสมุทยัยนิโรธมรรนี้อาสวะเหตุเกิดความดับ น, นะข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะรู้ชัดแนมะ้กระทั่งถึงว่านี้ อความทำที่ควรรู้ยิ่งควรกําหนดรู้ควรละควรเจริญควรทําให้แจ้งนะนะเพราะฉะนั้นท่านรู้ท่าน ท, านทราบพิพบจรารณาเทียบเคียงทําให้แจม่มแจ้งทําให้เป็นแจ้งว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดานี้เรียกว่ารู้แล้วนะนะรู้แล้วของท่านนะนะของเราก็ได้ยินมาแล้วนะก็คือก็อบอกว่าเออก็รู้อยู่ อ, อ่ะเออใจรู้เนี่ยมันเราได้ยินเนี่ยนะของท่านเนี่ยรู้เพราะท่านทํา ทำกิจของสิ่งเหล่านั้นหมดแล้วอนะของเรารู้เพราะเราได้ฟังแล้วว่างั้นอ่านมาแล้วเห็นมาแล้วแต่ว่าเห็นด้วยตานะเห็นด้วยจักรคูวิญญาณไม่ได้เห็นด้วยสัมมาทิฏฐิที่เรียกว่าไปทํากิจแบบนั้นอันภาสหานี้ไม่อาศัยด้วยตัณหานิสัยและก็ทิฏฐินิสัยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผู้ใดละตัณหานิสยัยสละคืนทิฏฐินิสยัยเป็นผู้ไม่อาศายัยไม่พัวพันไม่เข้าถึงไม่น้อมติดใจไม่น้อมใจไปคือ ออกสละพ้นขาดไม่เกี่ยวข้องซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เกี่ยวข้องซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสโพธาภะไม่เกี่ยวข้องแม้กระทั่งในสกุลในคณะในอาวาสในลาบยศสรรเสริญสุขในจีวณบินธบาศเสนาสะนะขีฬาณปัจจยัเยเภสัชบริขารในภพสามกำเนิด4ี่คติหเป็นต้นเนี่ยนะเพรา ะ, ะนั้นรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินกลิ่นรสโพธาพะที่ทราบธรรมารมณ์ที่รู้แจ้ง เป็นผู้มีจิตให้ประให้ปราศจากเขตแดนคือไม่มีจิตที่เป็นแดนกิเลสอยู่เลยเนี่ยนะกิเลสไม่อาศัยไม่ได้ย่ําอยู่ในเอ่อเรียกว่าไม่ได้อยู่ในแดนแห่งกิเลส น, นะฉะนั้นจึงเรียกว่ารู้แล้วไม่อาศัยคําว่าตันหาก็คือตันหาในอารมณ์หกนะรูปเสียงกลิน่นรสโภพภะธรรมะตันหานั่นเองคําว่าในภพคือภวะทิฐิในความปราศจากภพคือวิภวะทิฏฐิเนี่ยนะ ภาวะทิฐิก็สัสตะนะปราศจากภพก็อุเฉทิฐิในภพคือสัสตาทิฐิในความปราศจากภพคืออุเฉททิฏฐิคำว่าในภพเนี่ยนะคือท่านไม่มีตัณหาในอุเฉทิฐิในสัสตาทิฐิในภพเนี่ยนะความว่าความเกิดบ่อยๆความเป็นไปบ่อยๆความอุบัติบ่อยๆปฏิสนธิบ่อยๆให้อัตภาพเกิดบ่อยๆตัณหาย่อมไม่มีไม่ปรากฏไม่เข้าไปได้แก่ผู้ใดคือ ตันหานั้นอันผู้ใดละตัดขาดสงบระงับทําให้ไม่ควรเกิดขึ้นเผาเสียจแล้วด้วยไฟคือยานฉะนั้นจึงชื่อว่าผู้ใดไม่มีตันหาในภพและความปราศจากภพคือไม่มีตันหัด้วยอํานาจอุเฉทิฏฐิสัตตทิฏฐิในภพทั้งปวงอนะสรุปคาถาว่าผู้ใดไม่อาศัยตันหาทิฏฐิรู้แล้วคือรู้ด้วยนะรู้ด้วยคือแทงตลอดอริยสัจไม่อาศัยตันหาทิฏฐิไม่มีตันหาในภพคือภพสามกำเนิด4เป็นต้นเนี่ยนะ และในความปราศ จ, จากภพเนี่ยนะในภพคือสัสตะทิติหรือในวิภพคืออุเฉตเนี่ยเรากล่าวบุคคล น, นั้นผู้ไม่เพ่งในกามทั้งหลายว่าเป็นผู้เข้าไปสงบอันนี้เป็นคาถาใหม่นะว่าผู้นั้นไม่เพ่งในกามก็คือไม่ปราถนากรรมว่าเป็นผู้เข้าไปสงบกิเลสเป็นเครื่องร้อยรัตทั้งหลายย่อมไม่มีแก่บุคคล น, นั้นบุคคล น, นั้นได้ข้ามตันหาอันชื่อว่าวิสัตติกาแลว้วนีนะ ข้ามตันหาในทุกอารมณ์ได้เนี่ยนะกีดูนะข้ามได้ยังไงโอ้โหในระว่าของเราเนี่ยแย่ไปตรงไหนเนี่ยติดหนับหมดเกือบโดยมากใช่ไหมแย่ไปตรงไหนก็เพลนในอารมณ์นั้นอนะ่ะแต่ท่านข้ามได้อ่ะ <S 2> <S 2> นี่นะของเราเนี่ยมีเป็นแผ่นๆนะนะกระว่าเหมือนกาวเลยนะเหมือนใจของเราเหมือนกาวเลยนะแย่ไปอารมณ์ไหนก็ติดหนับเลยนะบางทีเนี่ยครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่หายติดเลยนะมันติดอยู่นั่นแหละเนี่ยนะ คำว่าเรากล่าวถึงบุคคล น, นั้นว่าเป็นผู้เข้าไปสงบมันก็คือเรากล่าวบอกพูดแสดงถแถลงซึ่งบุคคล น, นั้นว่าเป็นผู้สงบเข้าไปสงบเงียบดับประงับแล้วฉะนั้นจึงชื่อว่าเรากล่าวบุคคล น, นั้นว่าเป็นผู้สงบคำว่ากามก็ากามเป็นสองอย่างใช่ไหมคือวัตถุกามกับกิเลสกามบุคคล น, นั้นกําหนดรู้วัตถุกามด้วยยาตะปริญญาตีรณปริญญาเนี่ยนะแล้วก็ละสละบรรเทาทําให้สิ้นไปให้มี อให้ถึงความไม่มีในภายหลังซึ่งกิเลสกรรมด้วยปหานะปริญญาเชื่อว่าเป็นผู้ไม่แพ่งในกรรมทั้งหลายคือเป็นผู้ปราศจากสละสำโรคปล่อยละสละคืนกรรมเสียแล้วเป็นผู้ปราศจากสละสํโรคปล่อยละสละคืนราคาเสียแล้วเป็นผู้หายหิวหายหิวหายหิวอารมณ์ทุกอารมณ์อ่ะนะของเรานี่หิวเกือบทุกอารมณ์หมดอ่ะนะถ้าพูดถึงอะไรดีอะไรบ้างที่เราไม่หิวเลยนะ ไม่อยากเลยหายยากนะหายหิวมาหาพูดหรื อ, อยังเนี่ยนะะหายหิวตาหูจมูกลิ้นกายใจหรื อ, อยังเนี่ยนะยังเนอะ่ะมันพระอรหันต์นี่ท่านไม่หิวแล้วนะไม่หิวตาไม่หิวหูไม่หิวจมูกไม่หิวลิ้นกายใจต่อไปเมื่อไม่หิวในอารมณ์ทั้งปวงอ่ะนะเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าผู้ไม่เพ่งกามทั้งหลาย